ก่อยฟังเตื่นเจอคือเฮาคาไฟเจ้าพุท ธ, ธาภาษาปืนเมืองไม่สุ่งจะรื้นจากโจนกันขึ้นเหมือนน้ำบ่อตื่นฝันตอกลังมา สังฆเจนจาปรึกษากันได้หนังสือมีไว้กูวอดหายได้ไหวลุ่นปุ่นไปกูเบาใจหอยไพมีอ่อนน้อยคือเขารำเรน บ้าน อ, อกในวิ่งผ้าซุมกันสิงร่องมาจอนเมนฝ่ายไปสาธาสังคาไขาจ้าบอกเนจูหองเมืองเราปีน้องกูเบาจาเรน นั่งซื้อปืนมือเรียนจูบานพยายามได้ขานอยู่เป่าเบาบางกาปานอ่อนตั้ง เ, เหมือนเปืนได้กูตอกต่ำใเปืนใจเหมือนกวาย ไพมีหญิงใจเด็กขาอ่อนน้อยฮือกึดใจหอยศึกษาเรีนเอาพยายามสร้างเบานังสือเก่าเกือดฮือเรียนต่อเนื้อทุกบ้านทุกจอง แล้วก็ขึงป้องศึกษาเตค่าบ้านนี้บ้านนาครูสอนวางตําเรียนหนังสือทรพระพุท ธ, ธเจ้าทุกตีแต่เราหลายปีเรียนมา ฝปายนักซึกสามุนเซื้อจูผู้ข้าก็ได้รู้เมื่เผิ่นยิ่งใจวิการมีหลายการเริ่การบานปอเมบอกตาเบาปันข้าริน คือกาตําเป็นเป็นกูน้องคาป่อแม่ดาทาปองเรื่องสั่งมาโลเฮตนาโลหาลิงต้องลิงใส่น้องก็ร้องให้ใจคาอยู่เฮิน หันเปินจาเรนรูหลังหันหนาสุนตูไปขาขอข่อมค่อนเดียวนองซ้ำ ม, มาเกี้ยวกำกำร้องให้เปิลซ้อนกันไว้อา อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ อคารามีกอรินเก้าเงาหนังสือรู้เลียวจิงอ่านมาดโซตุขาเบามอขอควมไครให้ปอแมห้ามไวเบาปันคาเริน ไค่แป้นหื้อแป้นเจีเออน้องขาคำออดคำทาปมเมสองปาเจีน้องเข้าหาคู่ซอนตันเจ้าขาบนับเตบเก้าอาหังวันตา ตัวขามาเรียนยังหนังซื้ออันเหมือนเจอเปินนั้นขอเจ้าอินดูไปลุนแต่ดูครูสอนบอกไว้ตั้งแต่นั้นใส่้าไดเรียนมา เป็นนักศึกษาปองใจรู้แจงกัมมาการเทียงบอกตามกําคูเมื่อเดียวานีดูหมอขินอ่านใดหมอสาหมอวใจคายินดี เป็นการตั้งดีสืบริน้นโตเจ้ายิ่งใจหนุ่มเทาอย่าอยู่ได้ได้พิบมือนนาวกวายเปืนตีดวยเศการเราเบาเปความหูคมเอา คาสซตามเมาได้ไขบอกตันพยายาเบื่จันลอดตุดเสกรรมสซสิงอาบูคำโซยาวเบาได้อยู่ที่ปล่อยไว้จบเลี้ยววังปอง